ที่เป็นอยู่วามเป็นอยู่วามมีอยู่ในจิตในใจนั้นส่วนหนึ่ง <c oughs> อีกส่วนหนึ่งที่จิตใจของเรายังไม่มีอาศัยการปฏิบัติการกระทํา มันมีขึ้นอันนี้ส่วนหนึ่งฉะนั้นหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม่ว่าพราะองค์จะทรงสรแสดงเอาไว้มากมายเหลือหลายที่ว่าปิธาละในก่วงขวง จนถึงแปดหมื่นสี่พันพธรรมขันก็าตามแต่มีข้อสังเขปสังเขปยในสังเขปก็มาเพื่อให้มันหมาะแจการกระทําการประพฤติปฏิบัติทั้งฝ่ายเลิกฝ่ายละนั่นมันมี พอเหมาะพอดีกับความรู้สึกของผู้ปฏิบัติอยู่ละส่วนฝ่ายที่กระทาให้เกิดขึ้นมีขึ้นนั้นก็มีพอเหมาะพอสมกับผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่เมื่อสังเขปในสังเขปมาแล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้นได้ยินได้ฟังแล้วต้องอาศัยโอปนายกธรรมน้อมเข้าสู่ภายในดวงจิตดวงใจเพราะสิ่งที่ควรเลิกควรละมันมีในใจสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติขึ้นก็ใจของเราเท่านั้นเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติหรือกระทำให้เกิดขึ้นเอน ันั้นท่านจึงว่าโอปัญนนิโกให้น้อมเข้าดูภายในจิตใจรู้อยู่ภายในจิตใจทั้งส่วนควรละทั้งส่วนการประพฤติควรประพฤติรปฏิบัติสิ่งที่ควรละ <c oughs> เมื่อละน้อมเข้าไปดูแล้วพระพุทธเจ้าบอกไว้เป็นหลักส่วนใหญ่นั้นคืออะไรกิเลสทั้งหลายเป็นของไม่ดีฟังดูสิส่วนหยาบส่วนใหญ่ท่านก็ให้ชื่อว่าความโกรธก็เป็นของไม่ดีความโลภ ก, ก็เป็นของไม่ดี วมหลงก็เป็นของไม่ดีอธิปย์พระพุทธเจ้าสอนให้เลิกให้ละให้ปล่อยให้วางให้เห็นที่เป็นพิษเป็นภัยให้เห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยก็ล้วนแล้วแต่ของที่ไม่ดีไม่ดีนี่ทางนั้นฉะนั้น <c oughs> สิ่งเหล่านี้เมื่อเราดูอยู่ภายในจิตใจของเราในขณะ น, นี้ความโลภมันก็ไม่แสดงตัวหรอกความโกรธมันก็ไม่แสดงตัวแต่อาวิชาความหลงนี้ยังมืดอยู่ยังมัวมองอยู่ ยังเศร้ามองอยู่ยังขุนมัวอยู่ฉะนั้นสิ่งที่มัวมองก็ดีขนมัวก็ดีก็หมายถึงว่าอภิชาอันนี้แหละมันทำให้จิตใจของเราขุนมัวเศร้ามองเมื่อสิ่งเหล่านี้มีลักษณะเราอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าให้เลิกให้ละ ให้ปล่อยให้วางความพยายามเพื่อเลิกเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางอันนั้นมันมีอยู่ในกุศลและเจตนาสำนึกของพวกเรามันมีพร้อมอยู่แล้ว จะเลิกละสิ่งเหล่านี้ได้ก็เพราะเรามาศึกษาเรื่องของธรรมเรื่องของธรรมระบบของธรรมนำเข้าไปเป็นเครื่องอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องอุปกรณ์ของจิตของใจ เข้าไปเป็นเครื่องช่วยจิตช่วยใจเป็นเครื่องเลิกละความโลภทั้งหลายความโกรธทั้งหลายความหลงหลวิชาทั้งหลายน้นอ่อจากดวงจิตดวงใจของเราถ้าไม่อาศัยหลักการคือธรรมะก็ปฏิบัติฝ่ายธรรมให้เกิดให้มีขึ้นทางจิตทางใจนี่ ไม่มีอุบายใดและเหตุผลอันใดที่จะกไปแจ้กิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลายให้มันเบาบางจากจิตใจของเราได้หรือหมดไปสิ้นไปออกจากจิตใจของเราได้ฉะนั้นควรศึกษาการศึกษาระบบ ข้อปฏิบัติที่เรียกว่าธรร ม, รรมหรือว่าศีลธรรมหรือศีลสมาธิปัญญาที่สังเฉปนัยมาเป็นข้อปฏิบัติศีล <c oughs> ได้แจงจิิยาของจิตใจของเราไม่มีเรื่อง กิริยาควรมเป็นอยู่ของจิตใจความสำนึกของจิตใจของเราอันนี้มันเป็นเรื่องกิเลสกล้เชื้อตินิจใจของเราอยู่ทุกขณะส่วนกิริยาส่วนหยาบที่กออกมาตามกายทางกายทางวาจานั้นเป็นเรื่องหยาบอนานาันนั้น ขณะนี้เดียวนี้ปัจจุบันในขณะนี้พวกเราไปนในแสดงไม่ทำหรือความสังรวมระหว่างส่วนอยากพวกเราพยายามสังรวมระหว่างโวดเว้นอยู่แล้วแต่ขณะนี้ปัจจุบันนี้ <c oughs> อารมณ์ที่มีส่วนเป็นทุกข์เป็นโทษภายในจิตใจอั น, นัน มันมีอยู่ทุกอริยาบทเพราะมันเป็นอารมณ์ของจิตอารมณ์ประเภทนี่มันตึงนสื่อเป็นดารมณมของกิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลายได้แจงความนึกความคิดระบบความนึกความคิดอันนี้แหละมันทาให จิตใจของเรามันเป็นไปกระแสตามกระแสอำนาจแห่งความหลงอวิชาความหลงนั่นเมื่ออารมณ์ที่มันนึกมันเชิดไปตามอำนาจแห่งความหลงพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรารู้ว่า ระบบของจิตใจที่เป็นอารมณ์แห่งความชิดนี้ให้พากันสร้างความสำนึกคือให้รู้จักสังรวมสังบอรละวังสังบอลสังรวมละวังอารมณ์คือความรู้สึกระบบความชิดความตรงความนึกความคิดนี้ ท่านเรียกว่าญาณสังบรญาณญาณังญาณความรู้รู้ว่าอารมณ์ที่มันชิดขึ้นมานี่มันเป็นไปเพื่อสร้างความกำลัดจินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสไม้หรือว่ามันสร้างอารมณ์กระทบแห่งความโกรธมีโมโหโทโส ข, ขึ้นมาไหมหรือมันไปสร้างกระทบอารมณ์แห่งความเครียดความวุ่นวาย อารมณ์ลักษณะส่วนนี้มันไปกระตุ้นเตือนแห่งเจ้ากิเลตทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงนั่นมันเป็นสื่อมันเป็นสื่อซึ่งกันและกันอยู่ถ้าอารมณ์ของสื่อกิเลธตัณหาลาคะมันเนึกความเนิกคความปรุงนั่น มันไปสร้างอารมณ์ประเภทนี้ในความรู้สึกนั้นก็เป็นไปตามความรู้สึกนั้นกระทบกระเทือนภายในจิตใจแสดงเรื่องขึ้นมาจะเป็นราคะตันหาภาะวะตันหาก็ตามหรือจะเป็นความโลภความโกรธความหลงก็ตามทั้งนี้ทางนั้นมันก็เป็นโทษอยู่ในตัวของมันนั่น เมื่อเป็นทุกข์เป็นโทษอยู่ในนั้นจะเรียกว่าเราอยู่ในความบริสุทธิ์มีสินเป็นเครื่องคุ้มครองอยู่ที่ได้พ้นเป็นโทษอยู่ยาณสังวรเมื่อยานความรู้ความรู้อันนี้สร้างแนวชิดให้พวกเรารู้ว่าันเป็นสิ่งที่ผิดโย ท่านจึงให้สังบอนสังบอนก็คือความระบาย่าไปนึกไปชิดลักษณะนั้นเมื่อไม่เนึกไม่ชิดการแสดงว่าเรารักษาสาสินของเรานี่อยู่ในระบบควรละเอียดเพื่อให้จิตใจของเราเข้าสู่ควรมเป็นปกติ ระมัดระวังเพื่อให้จิตใจของเราเข้าสู่ความเป็นปกติเมื่อความเป็นปกติอยู่พาอเกิดความระมัดระวังเกิดจากความระมัดระวังอารมณ์นั้นๆท่านจึงเรียกว่าศีลคือความปกติความปกติใจ ความปกติใจก <c oughs> ิเลสยาความปกติใจหรือลักษณะความปกติใจนี่จะเกิดขึ้นมีขึ้นกับพออาศัยการละมัดระวังอารมอย่างที่ว่านั้นและการที่ เราสังรวมอารมณ์อย่างที่ว่านั้นในขณะเดียวกันที่จิตใจของเราไม่มีเรื่องก็ดแสดงว่าจิตใจของเราเีความปกติได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในสิ่งทำความเพียรเพื่ออาศัยระบบของสิ่งนี้มาเป็นเครื่องระงับที่เละทั้งหลายตัหาทั้งหลาย โดยเฉพาะพวกเรา <c oughs> นักปฏิบัติสถานที่อยู่ท่านสอนให้เข้าหาสถานที่สปายยะสถานที่สปายยกคือสถานที่อยู่มีความสบาย เ ส, ส, สนาสนสปายะเสนาสนนั่นเป็นเครื่องโเยเลิกจากความปุกผ่านเลิกจากเรื่องความวุ่นวายภายนอกซึ่งเกิดจากโูกทั้งหลายเสียงทั้งหลายกลิ่นทั้งหลายรสทั้งหลายสัมผัสอารมณ์ซึ่งเป็นเครื่องยั่วยวนกวนกิเลส ลักษณะเหล่านี้มันมีอยู่ในถ้มกลางของป่าของเขาถ้ำเงื่อมผาป่าเขานี่เป็นสถานที่สงบวีแวกแบบธรรมชาติมันไม่มีเรื่องรูปเรื่องเสียงติ่นรดสัมผัสอารมณ์ซึ่งมันเป็นเรื่องก่อควรมยวนกิเลสประเภทนั้นไม่ให้เกิด อารมณ์เหล่านั้นมันไม่เกิดกเพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีเสียงสิ่งก่อกวนกิเลสมันไม่มีเมื่อเราอยู่ในท่ามการอย่างนี้แล้วก็ได้ชื่อว่าเราเข้าอยู่เราเข้าถึงในเสนาสนะเสนาสนะอย่างนี้ <c oughs> ถ้าพูดถึง ถ้าพูดถึงว่ามันเป็นศีลมันเป็นธรรมก็เป็นศีลธรรมธรรมชาติเป็นศีลธรรมทั้งภายนอกแล้วให้เป็นศีลธรรมทั้งภายในคือดวงจิต ด, ดวงใจของพวกเราศีลธรรมภายนอกก็ได้แก่ไม่มีเรื่อง มันไม่มีสิ่งก่อกวนความสงบแบบธรรมชาติมีความสงบแบบธรมมมบบบธรมชาติมีเหมือนอย่างที่พวกเราอยู่ในขณะ น, นี้เราก็อาศัยอยู่ใน่ามกลางของความสงบธรรมชาตินั้นๆ ฉะนั้นเราจะเรียกว่าพวกเราอยู่ในถามกลางของศีลของธรรมแบบธรรมชาติเหมือนอย่างอดีตการขั้งพุทธการพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสาวก็ดีท่านเสแวงอยู่ตามถ้ำเงื่อมผาป่าเขาลุกกมูลลมไม้ห่างไกลฝงชนประชาชน มันก็ไม่ติดแปลกแตกต่างยุคปัจจุบันนี้คำว่าอยู่ไกลห่างจากฝงชนประชาชนเครื่องบรบกวนแล้วไม่ว่ายุคใดสมัยใดย่อมมีความเงียบสงบย่อมมีความบางเบงเย็น อ, อกเย็นใจตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีเคลื่อนอยู่ในทินั่นนั่นสถานที่นั่นๆ ฉะนั้นคำว่าสบายะสถานที่อยู่สบายมันจึงเป็นบงคลหรือเป็นศิลเป็นธรรมแบบธรรมชาตินอกจากนั้นแล้วยังเป็นเครื่องเทียบเคียงเป็นเครื่องวัดด้านจิต ด, ด้านใจของเราว่าเดี๋ยวนี้จิตใจของเรานั้นมีกุศลเจตนาเพื่อ หวังให้มีความสงบมีกุศลลเจตนาเพื่อทําความเพียรเพื่อให้เกิดความสงบทําไมจึงมีความมุ่งหวังมีกุศลและเจตนาตั้งใจอย่างนี้เพราะจิตใจนี้มีความหวังเหลือเกินสแสวงเหลือเกินเรื่องความสุข ข้นชื่อว่าความสุขไม่ว่าใครที่ไหนสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความหวังมีความสแสวงหาฉะนั้นความสุขเหล่านี้ <c oughs> ซึ่งมันเป็นสมบัติของจิตใจที่จิตใจต้องการสแสวงหานี่พวกเราต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังท่านผู้รู้มีพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าพระองค์ ที่เอาไว้บอกเขาไว้ว่าความสุขซึ่งเป็นสมบัติของใจจริงๆนั้นเป็นความสุขประเภทใดส่วนความสุขที่ชาวโลกเขามีอยู่เขาอาศัยอยู่พวกเราก็ได้ผ่านมาพอสมควรมันก็เพียงแค่นั้น และชาวโลกทั้งหลายเขาจะมีกันอยู่ดาดเดินทั่วโลกมันก็นเป็นมีความสุขเพียงแค่นั้นความสุขลักษณะนี้จึงไม่เป็นสิ่งที่จิตใจมุ่งหวังมีแล้วทําให้จิตใจเกิดความเ อ, อ, อือมได้เพียงพอจึงไม่ควรจะหยุดอยู่เพียงแค่นั้น ฉะนั้นความไม่หยุดอยู่นี่แหละจึงอาศัยว่าคําสอนของท่านผู้รู้ที่บอกอาไว้ชี้อาไว้ความสุขนั้นมันมีอะไรซึ่งมันเป็นความสุขเป็นสมบัติของจิตใจแท้ๆพระพุทธเจ้าพระอริเจ้าชี้เอาไว้บอกเอาไว้พ่อพระองค์รู้แล้วเห็นแล้วได้แล้วถึงแล้วอันนั้นคือเบื้อง ต้นเบื้องแรกควรจะให้เกิดให้มีให้เห็นเป็นพื้นฐานของจิตของใจก็ได้แจ้ความสุขที่ไม่มีทุกข์ไม่มีโทษานิสง์ของการรักษาศินอันดับต่อไปความสุขนั่นก็คืออาศัยความสงบของกิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลาย ที่พระองค์บอกว่านัทีสันติพลังสุขขังสุขเอิญนอกจากจกิตใจสงบนั้นไม่มีนี่หมายถึงว่าความสุขบรรดาสัตว์ทั้งหลายโลกทั้งหลายเขาได้เขามีเขารู้เขาเห็นแต่ความสุขทางธรรมนั้นยังมีเหนือกว่าความสงบอันนี้ ความสงบอันนี้กหมายถึงว่าจิตที่มันมีกิเลสมีตัณหากิเลสทั้งหลายมันสงบตัณหาทั้งหลายมันสงบที่เรียกว่าจิตสงบก็คือกิเลสมันสงบตัณหามันสงบคำว่าตัณหาก็คือความหิวความอยาก ความอยากความหิวของตันหานั่นมันกร ะ, ะแสดงถึงความทุกขอยู่ตลอดหิวอยู่ตลอดทุกอยู่ตลอดความหิวอยู่ตลอดทุกอยู่ตลอดอันนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนว่ามันเป็นทุกอดีคือความทุก พอมหิวอยู่ตลอดอยากอยู่ตลอดเมื่อเราดับความอยากอยู่ตลอดพ่อแม่แท่งตันหาดับความหิวอยู่ตลอดพ่อแม่แท่งตันหาดับความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้ทำมันสงบตัวลง ลักษณะการดับลักษณะการควบคุมอารมณ์เหล่านี้เราควรจะทำยังไงเมื่อเราอยู่ในท่ามกลางแห่งความวิเวียอยู่ท่ามกลางแห่งความสงบนี้เราควรจะน้อมกระแสจิตใจของเรานี่เราควรจะยก จิตใจของเรานี่ให้เข้าสู่ระบบความสงบทางนอกความเิเวกทางนอกความสงบทางนอกความวิเวกทางนอกคือไม่มีเรื่องกูคือไม่มีราวความบุ่นวายทางนอกมันไม่มีกิรยาความไม่มีเรื่องไม่มีราวความสงบนี้บเบเยกบางเบง ลักษณะนั้นการน้อมกะระแสจิตให้เข้าสู่ความเยียบสงบอยู่ให้เห็นความมีเวกบางเบงอยู่นี่คือการน้อมกะระแสจิตออกจากกะระแสแห่งกิเลสทั้งหลายที่มันผูกมัดรัดเึงอยู่น้อมแยกกระแสจิตของเราออกจากกะระแสของตัณหาทั้งหลายที่มันผูกมัดรัดเึงอยู่ ลักษณะที่น้อมกระแสจิตเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความเบิเว้มันก็นเป็นลักษณะต่อเนื่องที่ว่าความปกติของจิตใจความปกติของจิตใจคือความไม่มีเรื่องคือจิตใจที่มันไม่มีเรื่องกัะมันเห็นความสงบสบายอยู่จึงได้ชื่อว่าจิตใจไม่มีเรื่อง จิตใจไม่มีสิ่งก่อกวนก็คือความสงบเป็นปกติอยู่ลักษณะนี้เป็นระบบของศีลเป็นระบบของธรรมความดีที่พวกเราศึกษาน้อมดูจิรลาหรือลักษณะที่เราแยกจิตใจออกจากลักษณะของกิเลสทั้งหลายก็ดีแยกจิตใจออกจาก อารมณ์ของตัณหาทั้งหลายก็ดีเข้าสู่ความเป็นปกติของจิตใจในขณะเดียวกันก็จะเห็นความเบากายเบาใจโล่งอ ก, โ, อกโล่งใจพอความหนักน่วงง่วงเหงาเมือ่อนมดอนตะการด้วยกระแสของกิเลสทั้งหลายนั้นเราไม่น้อมกระแสตามเราไม่น้อมกระแสจิตตามความหนักความง่วงความ บุ่นวายก็ได้ชื่อว่าเราแยกกระแสจิตใจของเราออกจากสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษแต่กิเลสทั้งหลายนั้นมันยังนอนเนื่องอยู่มันสงบตัวอยู่มันไม่ได้หลีกจากจิตใจมันไม่ได้หมดไปจากจิตใจแต่อาศัยความ ย ก, กจิตใจของเรานีเข้าสู่ระบบของศีลของสมาธิตังหาพลังของศีลอันนี้พลังของสมาธิอันนี้เมื่อเราน้อมเข้าดูศึกษาเห็นว่าวาลาจิตของเรานีมันมีความเบามันมีความสบายโย มันมีความแจมใสมีความปกติดีอยู่เราก็น้อมเอาส่วนนี้แหละสร้างเป็นระบบของศีลของสมาธิ <c oughs> ทมคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นผู้มีสติสติและลึกอยู่ในอารมณ์ระบบ ความเป็นปกติของจิตใจความเบาความสบายของจิตใจนี่สร้างความสำนึกอันนี้ให้มันมีอยู่ในความรู้สึกมีอยู่ในความสำนึกรักษาความสำนึกอันนี้ไว้มันต่อเนื่องโยก็ได้ชื่อว่าเราเจริญศินหรือรักษาศินรักษาความปกติของจิตใจให้มันต่อเนื่อง ถ้ามันต่อเนื่องอยู่พลังการรักษาการเติบใหญ่กันที่เรารักษาต่อเนื่องอยู่มันก็จะเกิดความไม่บั่นไหเป็นพลังขึ้นมาจุดนั้นในขณะเดียวกันเรารู้จา ก, กจิตใจของเรามีลักษณะของศีลเป็นเครื่องอยู่ลักษณะของ การทํ า, าคว่ำผ้าคว่ำเจียนระวังรักษาต่อเนื่องอยู่จิตใจของเราเมื่อเคยเห็นความเป็นปกติเห็นความไม่วุ่นวายซึ่งเกิดจากกิเลสทั้งหลายมันไม่ข้อควรเห็นต่อเนื่องอยู่ก็ได้ชื่อว่าใจของเรามีศีลเป็นเครื่องรักษา มีสินเป็นเครื่องคุ้มครองต่อเนื่องจนเป็นลักษณะความไม่บันไหวเรียกว่าอาธิคือความหนักแน่นความหนักแน่นของ จ, จิตใจความไม่บันไหวของจิตใจที่เราระวังอยู่ต่อเนื่องอยู่เดี๋ยกวากายเป็นอธิศินคือจิตใจมันหนักแน่นจิตใจมีกำลังมันไม่งอนแยน มันไม่วอกแวกลักษณะนี้ถ้าเรียกว่าทรรมก็จะกลายเป็นสมาธิธรรมขึ้นมาสมาธิธรรมลักษณะนี้เรารักษาให้เกิดมีพลังต่อเนื่องเพื่อความสงบจะมีการ กำหนดดูลมหายใจเข้าออกเป็นส่วนประกอบหรือจะมีการบริกรรมพุทโธพุทโธยเป็นส่วนประกอบถ้าเรารักษาลักษณะนี้ทำลักษณะนี้ท่านเ็าเรียกว่าอาริยบทนั่นอยู่กับควมภาวนา กำหนดดูลมหายใจเข้าออกก็ดีก็เป็นการภาวนาท่านเรียกว่าอาณาปานุสติถธาตหรือบริกรรมพุทโธพุทโธกําหนดผู้รู้ต่อเนื่องอยู่ที่จิตใจของเรามันมีความหนักแน่นอยู่แล้ว น, นะนะมีสติบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นส่วนประกอบอยู่ถ้าทําอย่างนี้อยู่ในอริยบท จะยืนก็ดีนั่งก็ดีเดินก็ดีท่านก็เรียกว่าพบริกรรมภาวนานึกพุทธโธทั้งนี้ท้งนั้น <c oughs> <c oughs> แต่ละอริยบทเบื่อเข้าใจรักษาระบบจิตใจของเราอย่างนี้ท่านก็วว่าเป็นผู้ประกอบควมเพียนเป็นผู้กระทำความเพียน สิ่งไหนที่ควรเลิกควรละสิ่งไหนที่ควรประพฤติควรปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อสรุปใจความตรงนี้ก็เรียกได้ ว, ว่าสิ่งที่ควรเลิกควรละนั้นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตำหนิและสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภยัยได้แจกความโลภทั้งหลาย มันเป็นภัยความโกรธทั้งหลายมันเป็นภัยความหลงทั้งหลายมันเป็นภัยตันหาทั้งหลายมันเป็นภัยมันเป็นค่าศึกแจจิตแจใจฉะนั้นนักปวดทั้งหลายผู้สแสวงหาความสงบสุขทั้งหลายไม่ควรเกี่ยวเนื่องไม่ควรเกี่ยวข้อง สึ่งเหล่านี้ปฏิบัติเพื่อเลิกปฏิบัติเพื่อละอารมณ์แห่งความสังรวมวิถีจิตใจที่มันชิดเพื่อความสังรวมให้จิตใจเข้าสู่เป็นความปกติลักษณะอย่างนี้เป็นกิริยาที่ ระบบควรประพฤติให้เกิดให้มีขึ้นภายในดวงจิตดวงใจนั่นจนให้จิตใจของเรามีความรู้สึกไม่มีการหวั่นไหวจนจิตใจของเรามีความรู้สึกมีความหนักแน่น ความหนักแน่นเพราะการรักษาเพราะการสังรวมเพราะการระวังก็ได้ชื่อว่าจิตใจของเรามีสินอยู่าอธิศินคือจิตใจมีความหนักแน่นไม่บันไหวพอประมาณพอสมควรแล้วความต่อเนื่องที่จะยกจิตใจให้เข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิ มันมีการต่อเนื่องอยู่คือการทำความเพียรเพื่อความสงบเราจะเดินจงกรมทำความเพียรหมายถึงว่ารักษาระบบของจิตของใจนั้นละ่ะที่มีความหนักแน่นมันต่อเนื่องอยู่เอาอารมณ์ที่จิตใจไม่มีความวุ่นวายไม่มีความ ลำคาญ น, นั้นนะ่ทำให้จิตใจของเราเบาสบายโล่งอกโล่งใจยืนเดินนั่งนอนอริยบทไหนก็มันเห็นอารมณ์แห่งความบ้างความบา ง, คว า, บางความเบาความสบายเกิดความรู้สึกหนักแน่นไม่บั่นไหวอยู่ลักษณะอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเราเจริญสมาธินั่นเอง นี่เพื่อความสงบเราต้องการความสงบเมื่อเราต้องการความสงบอย่างนี้เราก็ต้องระวังอย่างนี้ให้มาเห็นจิริญาณของศีลเพื่อจะให้ส่งเสริมเป็นการส่งเสริมเกิดความสงบหรือจริรตญาณจิตใจที่ควรประกอบความเพียรเพื่อเป็นการบริกรรม ทางภาวนาพุโทโธพุธโทโธก็ดีหรือดูลมหายใจเขาออกอยู่ก็ดีถ้ามันเห็นให้มันรู้เห็นอะไรเห็นลักษณะอารมณ์คำว่าสินมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เห็นลักษณะหรืออารมณ์ของจิตใจที่มีสินแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้ว เราก็จะได้นำความรู้สึ ก, ก น, นั้นรักษาความรู้สึ ก, ก น, นั้นมันต่อเนื่องในการประกอบการทำคุมเพียนให้มันเกิดทั้งต่อเนื่องจนมีสมาธิหนักนั่นทําให้จิตใจมีอารมณ์มันเดียวเหลือแต่ผู้รู้อันเดียกําหนดประคองเข้าไปความละเอียดอ่อน ในการประครับประคองด้วยความตั้งใจด้วยสติอันชอบด้วยการประกอบการกระทําอันชอบการระมัดระวังการประครับประคองด้วยสติอันชอบอันนี้ก็หมาย ti. ถึงว่าอารมณ์ที่มันมีความละเอียดของจิตของใจนั่นแหะมันละเอียดเข้าไปการประครับประคองเบื่อด้วยสติของเราด้วยความละเอียดเข้าไป ท่านรูปเปียบว่าลักษณะอารมณ์จิตใจรักษาอารมณ์จิตใจเพื่อความละเอียดอ่อนเพื่อเป็นสมาธิเข้าสู่ความสงบนิ่งใสจนเกิดความเย็นอกเย็นใจณภายในดวงจิตดวงใจนั่นท่านรูปเปียบสเสมือนหนึ่งน้ามือนเต็มถ้วยเต็มเต็มแจ้วและเต็มขันเราถือเดิน น้ำเต็มถ้วยแก้วเราถือเดินเราจะประครับประคองขนาดไหนที่ไม่ให้น้ำมันหกมันกระเพื่อมความละเอียดอ่อนความระมัดระวังอารมณ์จิตใจก็เป็นอย่างนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนี่คุณธรรมที่เราทำขึ้นจะเรียกว่าเราทำคุณธรรมคือสติธรรมเมื่อ เป็นการสร้างกำลังของสติหรือจะเรียกว่าเราบำเพ็ญวิยาธรรมคือทำแห่งการทำความเพียรเพื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบถึงความละเอียดอ่อนอย่างที่ว่านี้มันก็เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นเมื่อจิตใจมีความสงบอย่างนั้นแล้ว มันจะรู้เองเห็นเองที่เป็นปจัจจตังแล้ววานาฏีสันติพลังสุขขงังว่าความสงบ ข, ของความสุขของความสขขงบนั้นมันเป็นอย่างไรไม่ต้องไม่ต้องบอกท่าลักษณะ น, นั้นแล้วไม่ต้องพูดถึ ง, งเหมือนอย่างเราหิวน้ำเราหิวข้าวนั่นแหละเมื่อเราได้ดื่มน้ำแล้วรสชาติของน้ำเป็นยังไงรสชาติของอาหารเป็นยังไงไม่ต้องบอก ามันถึงมันเป็นมันเข้าสัมผัสถึงทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อ <c oughs> ให้พวกเราเข้าใจโดยเฉพาะเรากำลังอยู่ใน่ามกลางแห่งความสงบตามป่าตามเขาลำเนาภัย อันนี้เป็นของสำคัญมากดูบรรยในขณะ น, นี้ถ้าไม่ได้ยินเสียงพูดปล่ อ, อยให้ความสงบแบบธรรมชาติมันมีมันเกิดในความรู้สึกมันจะเห็นว่า จิตใจของเรานี่มีความสงบเห็นความสงบของจิตใจพอประมาณแท้ที่จริงความสงบธรรมชาติทางนอกเขาก็พร้อมอยู่แล้วเปียอยู่แล้วแต่จิตใจของเรานั่นถ้าเราไม่น้อมเข้าหา สรางความสำนึกเข้าดูมันก็ไม่เห็นมันก็ไม่รู้ถึงจะสงบขนาดไหนมันก็ไม่เห็นว่าเป็นความสงบที่มีคุณค่าทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้นกระเพราะกระแสของกิเลสทั้งหลายมันฟุ้งออกมากระแสของตัณหาทั้งหลายมันฟุ้งออกมา กิเลสทั้งหลายตัหาทั้งหลายมันไม่ต้องการความสงบแบบนี้เพราะความสงบแบบนี้เป็นศินเป็นธรรมธรรมชาติสินธรรมธรรมชาติอันนี้มันเป็นฆาตึกบังคับกิเลสตัณหาฉะนั้นถ้าปล่อยกระแสของกิเลสตัณหาฟุ่งอยู่ความสงบธรรมชาติอยู่ในทรามกลางป่าเขาลำเนาภัย เมื่อเข้าไปอยู่ในสถานที่อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่เห็นมีคุณค่าแต่เพราะกิเลสมันไม่มีคุณค่าฉะนั้นที่จะมีคุณค่าในความสงบอย่างว่าเราต้องกําจัดกิเลสคืออารมณ์ประเภทกิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลายนั่นให้มันเราลงจนให้มันเหลือแต่ความรู้สึก สร้างความสำนึกอันนี้น้อมเข้าสู่ความมีเดชความเย็นอกเย็นใจเหมือนอย่างความสงบธรรมชาติปายนอกมันเป็นโยนี่อย่างน้อยๆมันเข้าใจอย่างนี้ผู้แสวงหาความสงบผู้อยู่ในท่ามกลางของความสงบมันจึงจะเห็นคุณค่า เมื่อเห็นคุณค่าแล้วเราจะเกิดความทราบสึงเกิดความพอใจว่าสมบัติล้ำค่าแห่งความสงบจากสึงจากสมาธิอันนี้มันมีอยู่ทุกโอกาสกาลเวลาอาการลิโกไม่เลือกการเลือกเวลาจริงๆเราจะได้เห็นคุณค่า เราจะได้เห็นการเห็นเวลาที่พวกเรามีอยู่นี่มีคุณค่าชีวิตความเป็นอยู่ของเรานี่ก็เห็นว่าเป็นชีวิตมีชีวิตที่จะมีคุณค่าพร้อมที่จะนาข้อวัดปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาต่อไปนี่พวกเราทั้งหลายให้พานเข้าใจเ <c oughs> อาที น, นี้ต่อไปเมื่อเลย จะมาอธิบายละน้อมเข้าสู่ความสงบทำให้จิตใจของเราให้ว่างบางล่องอกปรงใจใมันใสมีความสงบนิ่งอยู่ในภายในนน